ห้จตุตถปาราชิกกันว่าด้วยปาราชิกศิขาบทที่สเริ่มเรื่องว่าพระพุทธเจ้าประทับณเรือนยอดในป่ามหาวันใกล้กรุงเวสาลีสมัยนั้นมีภิกษุหลายรูปที่ชอบพอเป็นมิตรสหายกันจำพรรษาอยู่ใกล้ฝั่งแม่น้ำวัคคุมุธาสมัยนั้นเกิดทุ ก, กภิกขะไพ ในแคว้นวัดชีราชธานีชื่อกรุงเวสาลีภิกษุทั้งหลายลำบากด้วยเรื่องอาหารบินทบาทจึงปรึกษากันว่าจะทำอย่างไรดีบางรูปเห็นว่าควรช่วยแนะนำกิจการงานของขฤรืหัดบางรูปเห็นว่าควรทำหน้าที่ทูตคือนำความข้างนี้ไปบอกข้างนั้นนำความข้างนั้นมาบอกข้างนี้คล้ายบุรุษไปรณีบางรูปเห็นว่า ควรใช้วิธีสันเสริญกันและกันให้ขารหัสฟังว่าภิกษุรูปนั้นรูปนี้มีคุณวิเศษอย่างนั้นอย่างนี้เช่นได้ฌานที่หนึ่งฌานที่สองเป็นต้นจนถึงว่าได้เป็นพระโสดาบันเป็นพระสกทาคามีเป็นพระอนาคามีเป็นพระอรหันต์มีวิชาสามมีอภิญญาหกเมื่อเห็นว่าวิธีหลังนี้ดีจึงเที่ยวสัเสริญกันและกันให้ขารหัสฟัง จึงได้รับเลี้ยงดูจากข้ารือหัดชาวริมน้ำวัคคูมุธาเป็นอย่างดีมีผิวพันธ์ผ่องใสเ อ, อิบอิ่มเมื่อออกพรรษาแล้วจึงเก็บเสนาสนะเดินทางไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้านะกรุงเวสาลีปรากฏว่าภิกษุที่มาแต่ทิศ ท, ทางอื่นล้วนสู้ผอมผิวพันธ์ซามมีเส้นเอ็นขึ้นเห็นได้ชัดส่วนภิกษุที่มาจากฝั่งน้าวัคคูมุธากลับอิ่มเออบ้วนผี พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสถามทุกสุขและทรงทราบเรื่องนั้นจึงตรัสติเตียนและตรัสเรียกประชุมภิกษุทั้งหลายตรัสเรื่องมหาโจรห้าประเภทเปรียบเทียบกับภิกษุคือหนึ่งมหาโจรพวกหนึ่งคิดรวบรวมพวกตั้งร้อยตั้งพันเพื่อจะเข้าไปฆ่าปล้นเอาไฟเผาในคามนิคมราชธานี ต่อมาก็รวบรวมพวกตั้งร้อยตั้งพันเข้าไป้าบล้นเอาไฟเผาในคามนิคมราชธานีเทียบด้วยภิกษุบางรูปคิดรวบรวมพวกตั้งร้อยตั้งพันเพื่อจะจาริกไปในคามนิคมราชธานีให้เขา้าฤหัสและบรรปชิตสักการะเคารพนับถือบูชาอ่อนน้อมและได้จีวรบิณฑบาต ท, ที่อยู่อาศัยตลอดจนยารักษาโรคต่อมาก็รวบรวมพวกตั้งร้อยตั้งพัน จาริกไปในคามนิคมราชธานีมีเขาฤหัตบรรพชิตสการะเคารพนับถือบูชาอ่อนน้อมและได้จีวรบิณฑบาต ท, ที่อยู่อาศัยตลอดจนยารักษาโรคนี้เป็นมหาโจรประเภทที่หนึ่งประเภทนี้คือภิกษุซึ่งมีความปรารถนาลาบสการะแล้วก็ทำอุบายต่างๆจนได้สมประสงค์ 2. ภิกษุชั่วบางรูป เรียนพระธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วก็โกงเป็นของตนเองหมายถึงแสดงว่าตนคิดได้เองไม่ได้เรียนหรือศึกษาจากใครนี้เป็นมหาโจรประเภทที่สอง 3. ภิกษุชั่วบางรูปใส่ความเพื่อนพรหมจารีผู้บริสุทธิ์ผู้ประพฤติพรหมจรรย์บริสุทธิ์ด้วยข้อหาว่าประพฤติผิดพรหมจรรย์อันไม่มีมูล นี้เป็นมหาโจรประเภทที่สามสภิกษุชั่วบางรูปเอาของสงฆ์ที่เป็นเครารูพันเครารูบริคานคือสิ่งที่ห้ามแจกห้ามแบ่งเช่นอารามที่ตั้งอารามวิหารที่ตั้งวิหารเตียงตังเป็นต้นไปสงเคราะห์เครือหัสประจบเครือหัส ด, ด้วยเห็นแก่ลาบนี้เป็นมหาโจรประเภทที่สี่ ห้าพิุผู้อวดคุณในวิเศษที่ไม่มีจริงไม่เป็นจริงชื่อว่าเป็นยอดมหาโจรในโลกเพราะบริโภคก้อนข้าวของราษฎรด้วยอาการแห่งขโมยครั้นแล้วทรงติเตียนภิกษุชาวริมฝั่งน้ำวักคุมุทาด้วยประการต่างๆพร้อมทั้งทรงบัญญัสิกขาบทห้ามอวดคุณในพิเศษที่ไม่มีในตนเมื่ออวดไปแล้ว แม้จะออกตัวสารภาพผิดที่หลังก็ต้องอาบัติปาราชิกอนุบัญญัติข้อบัญญัติเพิ่มเติมสมัยนั้นภิกษุหลายรูปสำคัญผิดว่าตนได้บรรลุคุณพิเศษจึงประกาศตนว่าเป็นพระอรหันต์คือพยากรณ์อรหัตผลสมัยต่อมาจิตของเธอน้อมไปเพื่อราคะโทสะโมหะ ก็เกิดความรังเกียจสงสัยว่าการประกาศตนว่าได้บรรลุคุณในวิเศษด้วยความสำคัญผิดจะทำให้ต้องอาบัติปาราชิกหรือไม่ความทราบถึงพระพุทธเจ้าจึงทรงบัญญัติเพิ่มเติมยกเว้นให้สำหรับภิกษุผู้สำคัญผิดว่าได้บรรลุต่อจากนั้นเป็นคำอธิบายตัวสิกขาบทโดยละเอียดแล้วแสดงอนาบัตคือการไม่ต้องอาบัตหประการคือ หเพราะสำคัญผิดว่าได้บรรลุสอภิกษุไม่ได้มีความประสงค์โอ้อวดเช่นบอกเล่าแก่เพื่อนพระมจารีโดยไม่ได้มีความปรารถนาจะได้ลาบ 3. ภิกษุเป็นบ้า 4. ภิกษุมีจิตปุ้งสซ่านคือเป็นบ้าไปชั่วคราวเพราะเหตุใดๆห้ภิกษุมีเวทนากล้าคือทําไปโดยไม่รู้สึกตัว และหภิกษุผู้เป็นต้นบัญญัติวินิตวัตถุเรื่องที่ทรงวินิจฉัยชี้ขาดต่อจากนั้นแสดงตัวอย่างต่างๆที่เกิดขึ้นเกี่ยวด้วยการกระทําของภิกษุที่เนื่องด้วยสิกขาบทนี้ประมาณเจหรายซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงไต่สวนเองทรงวินิจฉัยชี้ขาดว่า ต้องอาบัติราชิกบ้างไม่ต้องอาบัติราชิกบ้างต้องอาบัติทุนลัตใจบ้างอาบัติทุกกฏบ้างตามควรแก่กรณีสรุปความว่าอาบัติราชิกมีสี่สิกขาบทต้องเข้าแล้วคือกระทาไปแล้วต้องขาดจากความเป็นภิกษุแม้ศึกไปแล้วจะมาบวชใหม่อีกก็ไม่ได้